เ <c oughs> ห้พิจหน้าดึงร่างกายของเขามันเจ็บไข้ได้พ่วยอยู่เรื่อพ่นเจ็บไข้ได้พ่วยนี่นี่อยู่ตลอดเวลาเนี่นะนยขย่ำใดเขาเป็นวัดก็เป็นน้ำเา้ยาย่ำใดเขาเป็นโลกท้องก็เป็นน้ำเค้าน่าจะละ่ะ แนวจังสีบอมินนี่จะสมัยนี่ดอกสมัยจะก้อนแห้งเป็นหลายฮาลัางเชือหนึ่งตายมดบานมดเมืองมันย่ำอธว่ามากนะเป็นโรคฟองตายพวกนั้นจะตายพวกนี่จะตายตายเกลือบมดเป็นโมืดจะเกลือบมืดคนละฮังเกื อ, ก, ก, อ, ก, อกับสีดาสเพราะว่าโรคระบาดเนี่ย ามาที่หลังนี่ทางการแพทย์เขาสามารถผูกจักเรื่องเล่าของมันเรื่องเล่าของโรคก็หาอยู่หายามาป้องมาปันโรคระบาดกับบกพร่องโรคเกาตโรคตีดาดโรคงนี้ว่านะ่ยบกค่อยปรากฏแต่ว่ามันมีโรคไหมเนี่ยมันคือว่าโรคเนี่ยมันก็นหลายเรือกันบามคนมันมีซําซําหมอเหียน โลกน่ยนมันบอมนเนีมันนี่ื้อมุ่ไหม่เรื่อยมันจะร้ายเป็นเรื่อยมาที่นี่ห้องคกติดว่าโลกมันน่มันมืดไปแล้วมันถี่ไข่เลยสิบาดนี้วจันบอมแนเนี่ยโลกวัดโลกไอโลกไข่โลกแค่อากาศทันถีิเป็นยังนี้อยู่มาตลอดไอ้เท้าคิดอะรแบมันบดบเป็นเท้าดอกนี่ผู้อื่นกัเพนคือกัน เขาคิดว่าวิชาการของเขามันจะเลิ่อุลงเรื่องวิชาแพทจะเลื่อนก้าวนาหลายเนี่ยเาคิดว่าจะไปสู่ก็มั่นได้ด้วยกันในความคิดของเขาเป็นยังไงล่ะทุกคนทงห ล, ขขอหลอยอเนียคิดว่าขันปวยซำทอซันีเราไปหอดหมอเาราดังเต้าเต้าเลเออเขคิดว่ายงเสกมานี่ยคิดคิดเืิมอีกก็ไปนึงได้ เือเไปว่าขันหามันบ่เศ้าได้บางทีมันมาถามบาเศร้าให้ใงได้ไงตัูแนลโลกนั่นและมันเศร้าก็ไดเบากรไดให้เข้าคึดคจิจระนาว่าเออขันหามันเบาเศร้ากับพื้นที่ของเจ้าอาจะได้เสียวเป้นที่ของเข้าที่ของเข้าอยู่เลยบานเนี่ยขันมันคึดเนี่ยว่าตัาห่าเป็นที่ของเจ้าไอ้ต่อมามันบาเศร้าอยู่ดีเราสั่นมันจะเป็นยังไงสั่นตาย่นั้นแล้ว ตายนั่นแหละมันอันตรชั่ายเลยในตีสุดมันตายมันมันเล่าหนาลักษณะมันโลกหนาลักษณะนะไอเขาคืดไปโรตล่างกายของเขาเนี่ยอันที่มันแน่นอนตีสุดนี่มันตายอันที่หายเนี่ยมันโบนแน่นอนดอกหายเนี่ยหายคือเป็นท่าร่างเชื้อมันก็หายคือดอกแต่ว่าเรื่องตายนี่ยแน่นอนไอคืดไว้โรดตัดเย็บใครได้ป่วยมากเลย ยาสีฟ้าคุดใส่แต่ยายาสีฟ้าคึดใส่แต่หมอคุดใส่โรงพยาบาลไอคุดใส่น้าว่าบ้าฉันมันเกี่ยวนี้ฉันมันมันเป็นายเป็นไรคุณเอาบอสเท่าเยมันตายเลยเหรอจังเพชรใหญ่นะวะต้องตายจะตายคอยตองหูยื้อวะในที่ชุดมันอกลต้องตายยู่แหละเข้าท่ามใหญ่เลยส้ยงามรักสายใจญเห็นมันเป็นโฟกัสิกยาสีคุด อย่างคิดส so, ั้นคิดเร็นพยายามท้องพัฒน์เป็นปกติรักษาไว้ให้หลับใจเลยเห็นมันจุดปกติได้บ่ได้รักษาได้รักษาบ่ได้พยายามนะฮะข้ามใจเข้าให้มันกลมคืนจะมันว่าเออเจ้ากระใสไปคอยกระยูน้าเจ้าที่มันเจ้าอยู่น้าไข่ก็บอกคงจักเข้ารับร่างกายเข้าก็พขั้วเจ็บไข่ได้ป่วยนี่ยจ้งเป็นไขมาอยู่น้าไข่ นี่มันร่างกายเข้าไปอยู่กับป่วยกับโบจักนี่มันป่วยมันอยู่กับเข้าโบจักแต่ว่ามันอยู่นํากันมากบางมีเขาทําพ่วงหรือจักใช่ว่าเอออันนี้มันจะเป็นเคลื่อนบ้านมันจะเป็นสมาชิเข้านี่อันคือเค่องซี่เราจะตีบวบกิดลาบากไปไหนหรบวบกิดเบียดเบียนไปไหนหรอกที่แล้วคือเราจะเขามาเบียดมาเบียนเข้ามาเบียดมาเบียนมาทําลายเข้าไป เราสิดเป็นศัตูอยู่เรื่อยบารนีคิดว่าออมันไท่เดียวกันตัวอันสิดยังสี่ถ้าแล้วจะเขาก็มีคิดซื่งกันในร่างกายน่ยเขาก็มีคิดของเขาได้เข้าก็มีจิตของเข้าเขามีคิดใส่ร่างกายในไปประกอบกิจกรรมงานต่างๆเขาก็มีมีคิดในการสืเอาล่างกายเนี่ให้มันเหนื่อยออกให้มันตายเนี่ยเขาก็มีคิดซึ่งกันในคิดว่ายังสี่ว่าเขาเป็นสมาธิกับเข้า ในร่างกายเนี่ยเขามีพิษจำกันอยู่พิดไว้ ย, ยังสี่จ้มันกระบอมันกระสีการเท้าขึ้นได้หรี อ, ดดอีมันสกระพอดเดือดร้อนคนนได้ใจเนี่ยมันกระสีเห็นว่าเป็นปกติอยู่แล้วกระสีว่าเนี่ยมันบ่แบอนว่าพิดปกติดอกจู้ยไอ้เาก็เป็นยังสี่ละคุณกอนห้าคข้นก้อนห้า่หลายสุดหลายเซนแล้วเขม่ได้เป็นังสี่ละบัดหทุกทายเลยมัน ที่เขาที่เฮ้าที่เขาที่เข้าในยุคท่านที่เขามันชนะมันชนะโลกวังหันเนี่ยมันตัดสินรดคุณนั่นละษนะ